ตอนมืน จากเมืองชาละวันค่ะจังหวัดพิจิตรนะเป็นนักร้องที่ค่อนข้างมีแก้วเสียงที่มีคุณภาพแต่ในเรื่องของความแรงอาจจะอ า, าพับไปบ้างเพราะไม่ดังเปรียงปร้างเต็มที่สักทีเคยออกอัลบั้มกับทางค่ายรถไฟดนตรีสองชุดแล้วก็มีอยู่งานชิ้นหนึ่งนะที่แบบควักเงินออกมาทำเองก็คือมนรักลูกทุง่ง แล้วก็ที่น่าจะเป็นที่ตอบรับหน้าพึงพอใจมากที่สุดก็คือออกกับค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดแท้อย่างนบพรซิลเวอร์โกเป็นเพลงแต่งใหม่ทั้งหมดแล้วก็ได้รับรางวัลกิติยศนะคะสาขาศิลปินขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอมะตะยอดเยี่ยมประจำปี2552จากเพลงสาวนายังคอยนั่นก็คือคุณหนิงจอมขวัญกัลยาค่ะ เพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือสัญญากับใจแล้วก็ฟ้าห่มดินนะคะแล้วก็มีอีกร้ายต่อหลายบทเพลงที่เธอค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็จอมขวัญกระยาเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็กลั่นออกมาจากใจและที่สำคัญค่ะ คุณจอมขวัญกัลยานะคะมีผลงานอย่างเช่นอะไรพ่อหลวงอย่างเงี้ยแผลที่หัวใจร้ายต่อหลายเพลงค่ะแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะว่าเป็นคนที่อืตั้งใจทำงานเพลงแม้ว่าจะไม่ได้ดังเลงปลี่ยงป้างแต่ก็ยังมอบเสียงเพลงมอบความบันเทิงให้กับท่านผู้ฟังอยู่ เอาล้วค่ะนะั่นก็คือประวัตินะคะสั้นๆของจอมขวัญกัลยาซึ่งในวันนี้ค่ะดีเจแอมนะคะก็จะมาเปิดเพลงสัญญากับใจแล้วก็ชมทุ่งนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเดีย๋ยวถ้าเกิดมีเพลงอื่นอาจจะลองหามาเปิดให้ฟังนะคะของคุณจอมขวัญกัลยาเอาเป็นว่าในวันนี้รายการแฉหมดเปลือกก็มาแฉของประวัติคุณจอมขวัญกัลยาไปแล้ววันพรุ่งนี้ ลองมาติดตามฟังกันนะคะว่าดีเจแอมจะมาแฉประวัติของใครอะไรยังไงนั้นติดตามฟังค่ะ จดไว้ในใจทุกอย่างบอกแม่ให้รอบอกขอให้ขอให้ความหวังจะทำให้ นี่ที่ฉันอยู่ในช่วงมูลใบสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบนะคะอยู่ที่บ้านของคุณฤทธิ์วันจันนะคะซึ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบแล้วหายจากอาการปวดหลังปวดขานะฮะเดี๋ยวจะให้คุณฤทธิ์เนี่ยแนะนําชื่อนามสกุลบ้านเลขที่สวัสดีค่ะคุณฤทธิ์แนะนําชื่อเลยค่ะผมชื่อฤทธิ์ครับนามสกุลวันจันครับบ้านเลขที่13หมู่ที่4ตำบลเขากระลา ขยุหะคดีนครสวรรค์ครับเป็นอะไรคะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์มูนไบหน่ะค่ะปวดขาครับเป็นคล้ายกระดูกทับเส้นงนั้นน่ะแล้วเห็นว่าปวดหลังด้วยใช่ไหมคะครับผมปวดหลังปวดกระเบนเน็บอะอ๋อค่ะเป็นมานานแค่ไหนละคะก็ประมาณปีเองได้ครับปีหนึ่งใช้ผลิตภัณฑ์มูนไบเนี่ยเออกี่วันคะถึงเริ่มรู้ว่าดีนะคะก็กว่าสกว่าวันก็เริ่มดีท่าที่ได้มันก็มันก็ร้อนแล้วก็เบาขึ้นอากาศอ๋อประมาณ10กว่าวันก็รู้เลยนะคะครับตอนนี้ใช้หมดไปชุดหนึ่งแล้วตอนนี้อาการแทบจะ ไม่มีถูกไหมฮะครับผมครับผมก็การดีขึ้นมากเลยครับปวดหลังปวดขาเบาเลยครับก็พูดง่ายง่ว่าเกือบจะหายแล้วถูกไหมฮะครับผมเกือบจะหายแล้วครับก็ขอขอบคุณคุณอริศวันจันมากเลยนะที่บอกเล่า90ความประทับใจนะ ใ, นในผลิตภัณฑ์มูลใบอะหากท่านใดมีปัญหาเส้นฮนะลองมาสั่งซื้อสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยนะคะทั้งน้ํามันแก้ปวดเมื่อมูลใบและอาหารเสริมเส้นมูลใบราคาไม่แพงเลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้ หรือ0885453515หากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของคนถัดไปให้เตรียมกระดาษปากกาไว้จดนะฮะสำหรับในช่วงนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณอริศวันจันด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชาหมือชชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ามันมูลไบลจัม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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงจากคุณบุญส่งกันค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณบุญส่งค่ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณบุญส่งแนะนําชื่อนำสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะอ๋อถ้าฉันชื่อบุญส่งนำสกุลยอดโหงอยู่เขาสามยอดค่ะเจอพระโยหะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณบุญส่งค่ะอาการก่อนที่จะมาใช้มูลไบรท์เนี่ย เป็นยังไงมาบ้างคะอ๋อปวดปวดปวดเอวค่ะปวดเอวแล้วก็มาปวดตําน่องตําน่องแล้วก็มีปวดหัวเขา่าเดินทรมามากเลยค่ะก็เลยป้าก็เลยฟังวิทยุอยู่ก็เลยว่าเออมันคงกับโรคเราเนาะแล้วก็เลยสั่งค่ะสั่งตัวนี้แหละค่ะแล้วก็ทีนี้มากินแล้วก็ดีขึ้นมากเลยอะเขาป้าก็ไม่ปวด แล้วก็หลังก็ที่มันเคยยอกที่เคยก้มก้มยากอะ่ะมันก็ก้มง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลูกก็เลยแนะนําบอกแ ม, แม่แม่กับโกงโรคของแม่แม่ก็เลยกินลองดูซิอย่างั้นลองดูได้กับกหนึ่งก็เลยมันก็เลยได้ผลแลก็เลยต้องต้องสั่งใหม่อีกแลค่ะอ๋อค่ะถามนิดนึงค่ะที่บอกว่าปวดทรมานมากเนี่ยเป็นมากี่ปีจ๊ะเป็นมาประมาณ ปีหนึ่งได้อะ่ะป้าป้าพาตัดมดตัดมดลูกด้วยทีนี้ก็มาปวดหลังไงประมาณปีหนึ่งก็กินยาโโหทั่วไปเลยก็ไม่เป็นยังไงอะ่ะหมดฤทิยาแล้วก็ไม่ไม่เบาขึ้นก็ เ, เลยกินตัวนี้ก็เลยดีขึ้นเนะะี่ยค่ะค่ะก็แสดงว่าเป็นมาหนึ่งปีาาาหายาหาวิธีรักษามาทั่วไม่ไ <ป S 1> หาย ไ, ไม่เบา มันก็มันก็มันก็เบาทุเราแบบกินยาเฉยๆก็เบาไปแต่ว่าหมดฤทธิ์ยาแล้วก็ไม่เป็นยังไงมากินตัวนี้เลยพอดีพอกินไปแล้วพอกินไปแล้วนี่มันดีขึ้นมันดีขึ้นป้าไปเว้นอาทิตย์ยังไงมันก็ไม่ปวดก็เลยอยากจะสั่งกินใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเว้นไปก็ยังไม่ปวดเขาเรียกว่าหายจริงๆจา้จาค่ะแล้วคุณป้าจะฝากอะไรกับ ท่านผู้ฟังไหมบางคนบอกว่าที่สัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยกลัวจะเป็นหน้าม้าไม่น<ม>่า<ม>จะจริงหรอกใช่ไม่ไม่จริงค่ะค่ะคุณป้าคะแล้วถ้าเกิดว่าจะขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่ อ, อคุณป้าได้ไหมคุณป้าบุญส่งอะคะ่ะที่อยู่มีค่ะมะีมีที่มีเบอร์อขอเบอร์ด้วยค่ะเบอร์นี้แหละค่ะอ๋อศูนย์แปดหกศูนย์สามเจ็ด ห้าเจ็ดหนึ่งสี่นะคะจ้าจ้าจ้าจ้อ๋อท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามคุณป้าบุญส่งได้เลยว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้วก็จะฟังใหม่อีกก็คือ่ามันจะกลับมาเป็นอีกอะไรอย่างงี้ก่ะก็ทรมาร์มากเลยอะค่ะค่ะปวดข่าวปวดหลังอะเนาะจ้าค่ะแล้วคุณป้าบุญส่งมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางวิทยุที่มีอาการแบบนี้คะอ๋อ พี่น้องทุกคนนะครับแบบแบบเป็นโรคแบบนี้ปวดหลังปวดขาเนี่ยมาหูทรมามากเลยพี่น้องทุกคนอุตส่ารับกินตัวนี้เธอการจะได้ดีขึ้นเนี่ยคนคนเขาวงนี่ก็กินเยอะนะเจอป้า บ, บอกป้าทำไมเดินดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมาตอนนั้นป้าเดินก้มหลังอยู่เนาะ อ, อันนี้ก็เออทำไมเดินดีขึ้นบอก เรากินตัวนี้บอกอืทําไมจะได้เบอร์ว่าบอกเออเบอ ร, บอร์มาเอากระป้านี่มาป้าสั่งกระป้านี่ป้ามีเบอร์เขาอยู่ป้าจดเบอร์ที่วิทยุไง อ, อออ จ, จะมีคนสั่งอยู่ที่น้องก็จะกินหลายคนนะคะค่ะค่ะทางรายการบรุญไร้ต้องขอขอบคุณคุณป้าบุญส่งเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ อ, อยู่ที่เขา ว, วงพายุหะเกียรีนครสวรรค์นะคะค่ะ ข, ขอบคุณมาค่ะคุณป้าจ้าสวัสดีจ้า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 โปร่งจันฝางกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะค่ ะ, คะให้คุณป้าแนะนำชื่อนำส ก, กุลและที่อยู่จ้ะชื่อปโปร่งจันป่างค่ะหนึ่งค่ะแปดจิตตำบลอะไรคะเขาทองตำบลเขาทองอำเภอค่ะดีค่ะ อ่าอํเภอพายุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์ใช่ัหมคะค่ะค่ะคุณป้าคุณป้าอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะแล้วคุณป้าปโปรงอะค่ะเป็นอะไรมาก่อนที่จะมาใช้มูลไรนะคะปวดหลังปวดสะโพกหมอเขาว่าเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็ไปปวดพวกเขาแล้วก็ไปชาเท้าวอืมเป็นมานานไหมไอ้กระดูกทับเส้นพวกนี มาละสิบกว่ปีแลมังลมันเป็นหมาแล้วเขาไปก็ไปหาหมอเขาหมอแล้วแอเลก็หมอเขาบอกเป็นกระดูกซับเต้นเขาะจะรู้มาสองสาปีเนี่ยอ๋อค่ะก็ก็รักษามาทั่วไม่หายบอกแอดทเลเอายามาให้กินไปมันก็ไม่หายสอกเลยไม่ไม่ได้กินอะไรแล้วก็ทงวิทยุนี่เขา กุมภาครับพ่อนี้ก็เอมันเหมือนแต่เราแตก็เลยให้สั่ค่ะเหมือนแ้่มันเบาอืม <Okay. S 1> แล้วมันเบาเบายังไงบ้างอะคะยายมันก็เบาปวดแต่มันเบาตึงเบานั่นแต่ว่าขาเถอมก็เบาเบ า, เบากว่าทีากา่ก่อนหย่างนั้นเหรออืมคือใช้ไปลองไปใช้ไปแล้วมันดีขึ้นอ่าอืม แล้วคุณป้ามองว่าผลิตภณัณฑ์มูนไบส์เนี่ยเขาใช้ได้ผลไหมเพราะบางคนเนี่ยฟังทางวิทยุ ก, กลัวมากเลยกลัวว่าสั่งมาแล้วจะไม่ถูกกันหรือจะไม่ได้ผลนะคะคุณป้าดีเขาดีแต่เอากินไม่หมายว่าปีมันก็ปวดนะอ่าก็เหมือนที่เขาบอกนะว่าหลายๆคนให้สัมภาษณ์บอกกินช่วงแรกจะตึงเส้นมากจะดึงจะปวด แต่หลายตันั้นก็เริ่มเบ า, ลาแล้วหายถูกไหมคะอืมแล้วก็เบากินได้กินมันดีเบาเบาอืมค่ะแล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์มูลไบเป็นไงราคาแพงเกินไปไหมเมื่อเทียวกับที่เราเบาแล้วดีขึ้นนะอ้าวขบอกพอ ก, กินได้แาบนั้นเถอะบอกูอสั่งใหม่ที่หมดแล้วหมดมาสามีวันแลนะ้วเนี่ยอืมค่ะ กินพอได้มันไม่ได้แพงมากนะจ้าค่ะก็ค่ะทางรายการบุญไบร้นะคะต้องขอขอบคุณคุณป้าโป ร, โรงจันปลั่งนะคะที่อยู่หมู่หนึ่งตำบลเขาทองอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์แต่เดิมเป็นกระดูกทับเส้นเป็นมาเป็นสิบปีแต่รู้ผลนะ่ะที่ตรวจมาสองสามปีเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากแล้วเบาตัวสบายตัวนะคะค่ะกงขอบคุณมากคะ่ะคุณป้า ่สวัสดีค่ะดีจาอ่ออขับรถอยู่หรือเปล่าค ะ, ะว่าแต่เมื่อยขาปวดหลังหรือเปล่าแน่แ น, น่ระวังจะชาเท้านะจ๊ะหากอยู่ท่าเดิมนานๆจนเมื่อยขาปวดหลังชามือชาเท้าหัวเข่าดังกรบับ กรบไมเกรนขึ้นหัวกระดูกทับเส้นอย่าลืมชุดน้ำมันมูลไบรย้ำชุดน้ำมันมูลไบรยช่วยท่านได้ส่งของเก็บเงินหน้าบ้านฟรีสนใจติดต่อ081394 6 9 77ยสเก้ดยำ0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 อำเภอพุหธะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณแปดคะสวัสดีค่ะแนะนําชื่อนำสกุลบ้านเลขที่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊ดเหมือนฤทธิ์ค่ะซีสามหนึ่งับหนึ่งำบนขาทองอ่ะอำเภอพุหะจังหวัดนครสวรรค์ปวดว่าเข่าเป็นมา1ปีไอ้นิ้วล็อกเป็นมา2เดือนชามือนิ้วล็อกตะคิวกินทองแล้วก็มาใช้มูลใบใช้แค่3มวันรู้ผลเลยค่ะเพิ่งใช้ไป50สิบค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะซื้อให้ดองด้วยค่ะ ใช้ดีค่ะของมุใบายะใช่เริ่มใช้ดีดีขึ้นค่ะใช้หลายอย่างไม่เบาต่ตอนนี้ดีแล้วใช้ของมุใบายดีแล้วสำหรับในช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณแป๊เหมือนริทด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณละมุนโมราลัยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะให้คุณป้าละมุนแนะนาชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะอ่าคุ มูลามูลนามสกุลโมละลายนะคะค่ะยูโมซีค่ะมาเลกทีหนึ่งศูนสี่นะคะค่ะอ่าทานมูลไลไปแล้วมันเบาเมื่อยเบาปวดขาค่ะแล้วก็จะสั่งใหม่นะคะป้าอยู่ตำบลอะไรคะตำบลเขาทองค่ะอำเภอค่ะ อำเภอพยุหะค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณป้าเนี่ยเดิมมีอาการเป็นอะไรมาคะมันเมื่อยมันปวดหัวเข่าค่ะแล้วชาชานมูไลไปแล้วมันเบาแล้วก็มันปวดตอนกลางคืนแล้วก็เอาน้ำมันน้ำมันพ่นเอฉีดเข้าไปแล้วก็มันดีขึ้นค่ะเอ่ แล้วป้าเป็นมานานหรือยังอาการปวดหัวเข่าเนี่ยก็เป็นเป็นปีแล้วค่ะอ๋อเป็นมาเป็นปีรักษายังไงก็ไม่หายใช่ไหมค่ะอ๋อคือมาทานมูลมาทานมูลไรแล้วมันดีขึ้นแล้วก็สั่งต่อนะคะค่ะแล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์มูลไบอ่ะราคาเป็นยังไงดีไหมเทียบกับที่เราขายดีก็ พอใช้ได้น ะ, ะไม่แพงถ้าถ้ท า, านถูกแล้วไม่แพงนะคะค่ะอ่าแล้วคุณป้ามีอะไรจะฝากบอกไหมบางคนเนี่ยไม่กล้ากินกลัวกลัวว่าโดนหลอกกลัวว่ากินแล้วจะไม่ได้ผอ๋อไม่หลอกกินทานหมดสามคนเลยพ่อแล้วก็ลูกแล้วก็แม่อืมอืม อ่าแฟนเนี่ยทานไปอ่ะเป็นบาหวานแล้วเมื่อยปวดแล้วทานไปแล้วเบาเมื่อยเลยจะสั่งตหเนี่แหละค่ะอือแล้วลูกนะคะทานแล้วดีขึ้นไหมเออลูกยังทานน้อยทานทีหลังแม่นะคะอ๋อแสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่ทานก่อนแล้วอาการก็ดีคุณทั้ทงบ้านอาการขึ้นก็ให้ลูกทานด้วยอืมถ้าท่านผู้ฟังคะนี่เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนนะคะว่าพวกเราเนี่ย ผลิตภัณฑ์ใช้ได้ผลจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าหน้ามา้าหรือเออมาสําษณ์ไม่เคยดูใหน้ามาฟังวิทยุแล้วก็กดเบอร์โทรแล้วก็โทรไปเลยแล้วก็ได้เลยลูกไ ม, ม่วันน่ะอืมค่ะค่ะบอกว่าเราต้องรักษาตัวเองเนี่ยมันใช่ว่างั้นค่ะเอาละค่ะคุณป้าต้องขอขอบคุณนะคะคุณป้าละมุนนะคะที่อยู่ตําบลเขาทองอําเภอพายุหะครีรีจังหวัดนครสวรรค์ะ น, นะคะ มีอาการเดิมคือปวดหัวเขานะคะก็ดีขึ้นสามีเป็นเบาหวานปวดเมื่อยเนื้อตัวก็ดีขึ้นนะคะทุกคนในบ้านอาการดีขึ้นาาเดี๋ยวจะโคจรนาให้เยอะๆนะคะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวจะโคจราและป้ามูลเป็นหมอด้วยคะ่ะอ๋อดีเลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะคุณป้าป่าขอบคุณมากนะคะหากท่านใดอยากป้องกัน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 เฉลี่ยวันลยะยี่สิบบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0813946977ย้ำ081 3 9 4 6 9 7 7สข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ํามันมูลไบ์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้ำสั่งชุดน้ํามันมูนไบ์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม รับเข้ามาเบียดอายเป็นแค่ช่วงเพลิหัวใจเพื่อคิดมากไปกว่านั้นอยากให้หัวอจเดือดทรวใจมันรับบอดได้ที่เห็นเข้ามาเกี่ยวพันทั้งน้อยใจเจ้า ทั้งอายสายตาชาวบ้านบออยากให้ทิ้งไว้นานรบกวนเจ้าตัดสินใจที่ให้เขาไปหรือว่าให้อายเจเมื่อคนมีคะแนนเก็บ เรื่องว่าคนมาใหม่ถ้าให้เขาอยู่ก็แปลว่าอายต้องไปหักมาโซลมโซตางเรื่ออายควรมีน้ำตาขาดเจ้าเขาคงบบเชปันไดอดีตบอาย ทำใจคงบ่อหนักหนาแต่อ้ายคนนี้บ่ตายก็คงเป็นบาเพราะหากที่ให้แกวตามีค่าเท่าลมหายาย เรือว่าให้อายเจริเมื่อคนมีคะแนน เ, เก็บเรื่องว่าคนมาใหม่ถ้าให้เขาอยู่ก็แปล ว, ว่าอายต้องไปถักมาโสลมโสตาหรืออายควรมีน้ำตา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 ขนี้ดิฉันอยู่ในช่วงมูลใบสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภณัณฑ์มูลใบอยู่ที่บ้านของคุณลำดวนอิ่มสินนะคะซึ่งเป็นลูกเส้นมา8ปีนะคะเดี๋ยวจะให้คุณลำดวนแนะนําชื่อนามสกุลกบ้านเลขที่เลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนําชื่อเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลำดวนอิ่มสิล์นบ้าน51ทับ1หมู่5เนินมะกอกอำเภอพยุหนะคนครสวรรค์จ้าให้หมู่บ้านหนองหมูใช่ไหมล่ะใช่จ้ะ หนูบ้านน้องหมูคุณลําดวนเป็นอะไรฮะเมื่อแปดปีที่แล้วก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์มูลใบนะคะเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็ไปผ่ามาแล้วก็แปดปีแล้วเนี่ยอันนี้มันก็กลับมาเป็นอีกอันนี้มากินคุณฟ้าเนี่ยเลยมันก็ดีขึ้นพอเขาปลูกแรกที่ร้อยเม็ดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าดีแล้วนี้ก็สั่งต่อใหม่นี่ก็กินมาเรื่อยๆตอนนี้แล้วมันก็ดีเลยเนี่ยเส้นที่ขันนัแข่งที่ปวดเนี่ยมันก็หายแล้วตีนชามันก็เบาขึ้นจะหายแล้วล่ะ ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี่เห็นว่าปวดหลังลงลงไอ้กบขาเหรอคะค่ะค่ะหลงกกขาเลยแต่ตอนนี้มันเบาแล้วเนี่ยแล้ว <Ja. S 1> ที่ที่ว่าเป็นกน้อนตรงไหนนะแล้วมันยุบไปน ะ, ะตรงที่ทางไอ้กระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นก้อนอยู่ตอนนี้มันก็เบาแล้วแต่มันก็ยังไม่หายนะก้อนนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่แต่ว่ายุบลงใช่ ja. Ja. Ja. แล้วที่ว่าเป็นก้อนที่ที่เป็นก้อนที่ตรงไอ้หัวเข่าใช่ไหมเห็น ja. หัวเข่าเนี่ยหัวเข่านี่มันก็ยุบแล้วจ้ะ แต่ก่อนนี้เป็นก้อนนูนขึ้นมาแหลอค่ะอยเป็นก้อนนูนใต้ท้องขาเนี่ยแล้วตอนนี้มันยุบจ้ะไป้ายป้ายขาพับใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก้อนนั้นยุบไปยุบไปค่ะค่ะยุบแล้วแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาตอนนี้มากี่เดือนแล้วคะเนี่ยห้าเดือนแล้วค่ะห้าเดือนนี้อาการดีขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอ ะ, ะเลย ดีดีขึ้นมากเลยฉันก็สั่งเขาต่ออีกเนี่ยหาแล้วคุณลำดวนอิ่มศิลเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยทำงานหนักใช่ไหมคะทำงานหนักมกฐานมัง่งอะไรมัง่งดายา น, นี่มันก็กลับมาเป็นอีกไอฉันก็คิดว่าผ่าแล้วมันจะหายนี่มันก็ไม่หายอันนี้มันมาทํางานหนักมันก็มาเป็นอีกตอนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วเนี่ยหยุด เลี้ยงหลานก็ขอขอบคุณคุณลำดวนอิ่มสินมากเลยนะที่บอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์บุญไห้หากท่านใดมีปัญหาเส้นลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะได้ที่เบอร์0885453515หรือ0813946977 0 8 9 9 77, 0 8 5 4 5 3 5 หนึ่งห้าหรือศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณจำรัดกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเ๋ยวให้คุณป้าแนะนำชื่อนามส ก, กุลและที่อยู่เลยค่ะ <c oughs> ชื่อนางจำรัดมีอ่อนค่ะอยู่บ้านประดูเท่าตบนเอก็งน้ำมกค่ะค่าะ <c oughs> จังหวัดนครสวรรค์อ๋อบ้านประดู่เท่าตําบลเนินมาออกอําเภอพยุหะจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะค่ะคุณป้าจําระหัดนี่เออก่อนหน้านู้นน่ะตอนที่ใช้มูลไบเนี่ยตอนนั้นเป็นก่อนจะใช้เป็นอะไรมาจ้ะก็ปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าค่ะค่ะแล้วเดินลําบากไหมเวลาปวดหัวเข่าแบบนั้นอ่ะก็เดินลําบาก โดยลําบากเนาะแล้วอพอเออดีขึ้นตอนหลังมาเห็นบอกว่าใช้น้ํามันจ้ะแล้วเป็นยังไงพอใช้น้ํามันแหละไปแล้ ว, ลวที่บอกว่าดีขึ้นดียังไงจ๊ะก็เบาวปวดหายปวดอือเบาวปวดหายปวดจ้ะเดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าเออไม่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ยังยังดีอยู่ใช่ไหมคะก็เบาไปเลยก็ดีจ้ะค่ะ แล้วคุณจำรั์มีอะไรจะฝากกับพันผู้ฟังไหมที่เขาเอ่อเป็นปวดหัวข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่ะก็ใช้ดีนะจ๊ะ <c oughs> ก็ใช้ดีเนาะเออนะค่ะทางรายการบุญบายต้องขอข อ, ขอบคุณคุณจำรัดมีอ่อนนะคะที่อยู่าประดู่เทาเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าจ้าจ้า่าดี ชามืช่ชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์จำชาหมือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ามันมูนไบร์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ามันมูลไบร์สอบถามได้ที่เบอร์081ย์แปดหนึ่สามเก้าาเจ็ สเกสเกเจดเจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะดิฉันอยู่ในช่วงมูลไบสสัญจรในช่วงบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านคุณลุงปานจันทิพ์นะค ะ, ะซึ่งคุณลุงปานจันทิพ์เนี่ยเป็นเส้นเลหิดฝอยในสมองแตกนะคะเป็นอมาพึกมา3ปีกว่านะคะหมดค่ารักษาไปเยอะเลยนะคะรักษามาทั่วแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยแต่ พอมาเจอผลิตภัณฑ์มูลวบเนี่ยปัจจุบันดีขึ้นมากเลยค่ะจากที่พูดไม่ชัดก็พูดได้ชัดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าลุงปา น, เ, นเป็นคนขี้อายนะคะก็เลยให้ภรรยาลุงปานนี่ยสัมภาษณ์แทนนะคะดิฉันอยู่ต่อหน้าของภรรยาลุงปานแล้วนะคะชื่อคุณนาเฉลียวเดี๋ยวจะให้คุณนาเฉลียวแนะนำชื่อนามสกุละคะ บ้านเลขที่แล้วก็อาการของลุงปานว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณน้าเฉลียวชื่อจะเหลียวจันทิปอ่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่ร้อยทับหนึ่งตำบลยังขาวอําเภอพยุหกิรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเออลุงปานเป็นอะไรคะในเบื้องต้นสามปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะเป็นเต้นรุ่ยหิตแตกในสมองค่ะอาการคือเป็นยังไงลองเล่าดูนะคะเขายกแขนยก ข, ขาไม่ได้เลย แล้วเห็นว่าพูดไม่ชัดด้วยใช่ไหมคะไม่ชัดพูดไม่ชั ด, พ, ด, ชดพูดไม่ได้เลยพูดโอโอยแอก็ไม่ได้อะแล้วเห็นว่าเดินนี่ต้องใช้ไม่เท้าตลอดถูกไหมคะใช่ใช้ไม่เท้าแต่ตอนนี้พอเดินได้บ้างแล้วหลังจากที่รับประทานอาหารเสริมเส้นมูลใบแล้วก็ทานมะพรกเนี่ยปัจจุบันนี้ละไม่เท้าบ้างได้แล้วถูกไหมคะใช่ละไม่ได้แล้ว ขึนกระไดก็พอได้แล้วแต่เราก็ช่วยน่อยหน่อยเพราะเพราะว่าเพิ่งทานน ะ, ะ อ, าอาการที่เริ่มรู้ว่าดีเนี่ยหลังจากทานอาหารเสริมแก้เส้นมูลไบแล้วก็ทานสมุนไพรมาเพื่อของมูลไบรวมทั้งทานน้ํามันเนี่ยเริ่มเห็นเด่นชัดว่าดีขึ้นเนี่ยภายในกี่วันคะสิบกว่วันค่ะสิบกว่าวันนี้ประทับใจเลยใช่ไหมคะรู้ว่าดีขึ้นใช่ล้วก็จะอยากจะกินเขาอยากจะหายอะ แล้วมีความประทับใจถูกไหมคะใช่ใจก็เห็นว่าหมดค่ารักษาไปเยอะเลยประมาณเท่าไหร่คะก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์มูลใบนะเห็นว่าหมดค่ารักษาที่ไหนที่ไห น, ไหนว่าดีไปรักษามาทั่วก็ไม่หายเนี่ยหมดค่ารักษาไปเท่าไหร่คะมหมดหลมเงินเนี่ยประมาณเจ็ดแปดสนเนี่ยโ อ, อประมาณ7 8็ดแปสนตลอด3ปีที่ผ่านมาถูกไหมคะค่ะ แล้วปัจจุบันนี้อาลุงปานรับประทานสมุนไพรจีนเอามาเพลกและอาหารเสริมแก้เส้นมุนไบรวมทั้งทานน้ำมันเนี่ยประมาณกี่เดือนแล้วคะที่ตอนนี้ที่เห็นเลยว่าดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยกี่เดือนแล้วคะสาี่เดือนเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นสามารถละไม่เท้าได้บ้างแล้วใช่ไหมคะเห็นว่าใช่ใช่คปัจจุบันนี้ยกแขนยกขาขึ้นได้ดีขึ้นใช่ไหมคะได้ดีขึ้นก็ตอนนี้ลุงปาน มีความประทับใจมากนะคะก็เลยแนะนำคนรู้จักให้ซื้อตามถูกไหมฮะใช่ค่ะก็ขอขอบคุณคุณน่าเฉลี่ยวมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบ้สวัสดีค่ะคุณน่าเฉลี่ยวสวัสดีค่ะทนปวดอยู่ทำไม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 อาการโรคเส้นของคนเรานะคะที่จะเริ่มปวดเมื่อยเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการเป็นๆหายๆก่อนนะคะหากท่านใดที่มีอาการเป็นโรคปวดขาปวดหลังหรือเป็นโรคเส้นตรงจุดอื่นกระ ต, ตรงจุดใดก็ตามทีนะคะใหม่ๆนี่จะเป็นๆหายๆก่อนนะคะนั่นแหละนั่นแหะแสดงว่าร่างกายของท่านเนี่ยเริ่มเป็นโรคเส้นแล้วนะคะ หากว่าปล่อยทิ้งไว้นานวันเข้าเนี่ยถ้าเป็นจุดนี้แล้วไม่ได้รักษาอย่างถูกจุดหรือปล่อยปะละเลยเนี่ยเส้นก็จะยึดแล่นไปจุดอื่นด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านเป็นโรคเส้นปวดหัวเข่าเนี่ยถ้าใหม่ๆจะเป็นๆหายๆพอนานวันเข้าเนี่ยเส้นก็จะแล่นลงไปที่น่องนะะที่เท้านะะพอนานวันเข้าท่านก็จะมีอาการชาเท้าตามมาด้วยนะคะ นั่นแหละค่ะคืออาการเบื้องต้นคือท่านเนี่ยเริ่มเป็นโรคเส้นจากหัวเข่าแล้วก็แล่นลงมานะฮะที่เท้าแล้วก็ข้อสําคัญก็คือใครที่มีปัญหาโรคปวดหลังน่ะให้พึงสังวรระวังไว้เลยว่าต่อไปเนี่ยท่านก็จะเป็นโรคปวดหัวเข่าหรือไม่ก็เป็นโรคชาเท้าตามมานะฮะหลังนี่เป็นศูนย์รวมเส้นนะคะถ้าหากว่าเป็นโรคเส้นที่หลัง แล้วถ้าไม่ลงขาก็จะขึ้นหัวนะคะหากว่าท่านมีอาการปวดหัวไมเกรนนั่นอะ่ะก็เกิดจากปัญหาโรคเส้นที่หลังก่อนนะคะถ้าหากว่าเป็นโรคเส้นที่หลังแล้วขึ้นหัวเนี่ยก็จะเป็นที่บ่าก่อนนะคะเป็นบ่าแล้วก็จะเป็นโรคไมเกรนตามมาด้วยหรือไม่ถ้าเป็นโรคเส้นที่หลังเนี่ย บางทีไม่ขึ้นหัวนะคะแต่ลงที่ขาน ะ, ะก็จะมีอาการปวดหัวเข่าวตามมาพอนานวันเข้าก็จะเป็นโรคชาเท้าตามมาด้วยนะคะดังนั้นหากใครที่มีอาการเริ่มเป็นๆหายๆเนะี่อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะให้รีบรักษาก่อนที่มันจะเป็นมากขึ้นนะคะเพราะเส้นคนเราเนี่ยมันเหมือนสายไฟนะคะถ้าหากว่าเส้นยึดตรงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะแล่นไปดึงให้จุดอื่นยึดตามไปด้วยนะคะ นั่นแหละค่ะก็คือท่านจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะคะหากท่านใดมีปัญหาเส้นเนี่ยลองมาสั่งซื้อน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมูลใบให้รักษารีบตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมฮ ะ, ะดีกว่าปล่อยปะละเลยให้มันเป็นมากขึ้นนะคะาหากท่านใดมีน้ำมันแก้ปวดเมื่อยมูลใบไว้รักษาเนี่ย ก็เท่ากับท่านมีหมอนวดประจำตัวเลยนะฮะน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมุนไบนั้นมีคุณสมบัติช่วยนวดเส้นเหมือนหมอจับเส้นยังไงอยางงันเลยนะฮะทาเพียงอย่างเดียวแต่รักษาโรคเส้นของท่านให้หายได้นะฮะและข้อสำคัญก็คือราคาไม่แพงเลยนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศ8นย์แดหนึ่งามสี่ 6 9 7 7ทวนเบอร์หนึ่งก0 8ส3 9 4 6 9ก 7, 7ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆกันต่อเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพาะพากันอีกสักเพลงหนึ่งนะคะ อยากสิถามว่าไอาคนนี้มีความสำคัญกับน้องโบ่โนอาอมันคขนโบ่ล่อสิเหตุจังใดหน้าตาอายมันบ่ดีแต่หัวใจไอมักน้องลายสิเหตุจังใดให้น้องมากอาอคือเขา มันคงเป็นแค่วาสนาให้สองเฮามาบ่ได้คู่กันเกิดมาได้แค่หักกันกรบบุญแล้วลาอายสิยอมรับกรรต่อไปแม่อายบ่มีปัญญา ชาตินี้มีกรรมนักหนากระคืนเสียวาหาบสมการสิยอมเก็บปวดรัวราสิยอมที่เขาได้เจ้าเคียงคูอ้ายกะหัวโตดีว่าอ้ายบ่มีปัญญา ยอมรับว่าไอ้มันจนไอก็เป็นคนขึอ้นองนั่นล่ละเถืงอนสิเปิดปัญญาแต่อ้ายกักคือเก่าเรื่องดีๆขอให้เกิดกับนองระหว่างหัาสองคงต้องจบกันอ้ายบ่อยากให้เขาคนนั้นมาค้นยัางาย บอกเคยหักน้องบทจริงถ้าเขาทิมก็คืนมากก็ได้สิเป็นสิตายโตไอยก็หักคือเก่า เป็นคนขึ้นห้องนั่นลาเขิงสีเบิ้ดปัญญาแต่อายกักคือเกา่าเของสีเบิ้ดปัญญาแต่อายกักคือเกา่า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 คือ ท, ท่านท่านทราบไหมว่าหากท่านเป็นเส้นหลังปุ๊บเนี่ยประการแรกเลยถ้ามันลงขาปุ๊บเนี่ยอาการเบื้องต้นของโรคเส้นที่ลงขาก็คือปวดหัวเข่านะคะถ้าปวดหัวเขานานวันขึ้นเนี่ยมันก็จะลงไปที่เท้านะคะท่านก็จะชาเท้าตามมาด้วยนะคะ